ในหมวดที่ห้าในเรื่องธรรมขันห้าคือหนึ่งศีลขันได้แก่หมวดศีลสองสมาธิขันได้แก่หมวดสมาธิสามปัญญาขันได้แก่หมวดปัญญาสี่วิมุตติขันได้แก่หมวดวิมุตห้าวิมุตติยานทัทสนขันได้แก่หมวดวิมุตติยานิตทสนะิมุติยานทัทสนะ ปราการแรกขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายได้ทําความเข้าใจกับเรื่องธรรมขันธ์ก่อนคําว่าธรรมขันธ์นี้แปลว่ากลองหรือแปลว่าหมวดหมู่แห่งธรรมนีหมวดหมู่แห่งธรรมหรือว่าธรรมอันมีลักษณะที่เป็นกลุ่มเป็นกลองนะเป็นหมวดเป็นหมู่นั่นเอง แบ่งออกเป็นห้าอย่างคือหนึ่งสีละขันหมวดแห่งสีได้แก่ธรรมที่มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันที่ว่าอย่างเดียวกันก็หมายความว่าจะพึงสงเคราะห์เข้าในหมวดกันได้ก็จัดเป็นขันหนึ่งเช่นอินทรีย์สังวรการสำรวมอินทรีย์การสำรวมอินทนะ ร, รีย์ พโชเนมัตัญยุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารนี้เป็นไปในทำนองเดียวกันมีลักษณะอย่างเดียวกันเรียกว่าสีละครคือหมายถึงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จัดไปในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะสำรวมสัรวมกายสำรวมวาจาหรือว่าสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ ก็จัดเข้าในหมวดศีลหรือในกองศีลในหมู่ศีล น, นะว่างั้นจัดเป็นหมวดเป็นหมู่เดียวกันให้เข้ากลุ่มเดียวกันนะเมื่อจัดเป็นหมวดเป็นหมู่เดียวกันก็การศึกษาค้นคว้าการปฏิบัติมันก็ง่ายนะง่ายขึ้นข้อที่สองสมาธิขันหมวดสมาธิ หมวดสมาธิได้แก่ทําอันเป็นไปในลักษณะเดียวกันกันกบสมาธิควรจะสงเคราะห์เข้ากันได้เช่นชาครยานุโยคประกอบความเพียรนะกายคตาสติสติระลึกทั่วไปในกายก็เป็นไปในทํานองเดียวกันกับสมาธิคือจัดเข้าเป็นหมวดสมาธิขันนะเป็นหมวดสมาธิขันคือหมายว่าที่จะทําจิตให้ตั้งมั่นให้สงบได้ ให้ตั้งมั่นให้สงบได้อันนี้ก็เรียกว่าสมาธิขันข้อที่สามปัญญาขันคือหมวดปัญญาได้แก่ทำอันเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับปัญญาควรสงเคราะห์เข้ากันได้เช่นธรรมวิจยะความสอดส่องธรรมและกรรมสกตายานปัญญาอย่างรู้ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตนนี้ เป็นไปในทํานองเดียวกันกับปัญญาจึงจัดเข้าเป็นหมวดปัญญาขันจัดเข้าเป็นหมวดปัญญาขันหรือข้อสี่วิมุตติขันหมวดวิมุตต์ได้แก่ทมอันเป็นไปในลักษณะเดียวกันกันกบวิมุตต์ควรจะสงเคราะห์เข้ากันได้เช่นปะหานะการละและสัจจิกา ร, ะะกรณะการกระทําให้แจ้ง มีเป็นไปในทรรนองเดียวกันกับวิมุติจึงจัดเข้าเป็นหมวดวิมุติขันนหรือวิมุตติขัน <c oughs> ก็หมายถึงว่าทำเหล่าใดที่เป็นไปในการที่จะละกิเลสประหารกิเลสเอานี้ก็มาเข้าเป็นหมวดเป็นหมู่เดียวกัน <c oughs> ขอให้ทราบไปด้วย <c oughs> จะเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่จะประหารกิเลสทําให้กิเลสเได้หมดไปได้แล้วก็หรืออย่างเช่นประทานเนี่ยอความเพียรที่จะทําลายกิเลส เป็นปหานะประทานเนี่ยอย่างนี้ก็ใช้ได้นีข้อห้าวิมุตติยานทัทสนะหมวดวิมุตติยานทัทสนะได้แก่ทำอันเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับวิมุตติยานทัทสนะคือความเห็นความรู้ความเห็นเป็นเครื่องหลุดพน้นนีเช่นญาณทัทสนะส่วนโลกุตระเป็นตัวอย่างซึ่งเป็นไปในทรรนองเดียวกันจึงจัดเข้าเป็นหมวดวิมุตติยานทัทสนะ คือวิมุตติยานัศสนะนี้ถ้าหากว่าเราถึงขั้นนี้แล้วก็สามารถที่จะทำให้เรานั้ n หลุดพ้นจากเครื่องร้อยรับทุกสิ่งทุกอย่างได้นในในวิมุตติยานัศสนะนี้ก็จัดอยู่ในในเข้าในวิมุตสองอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เรียกว่าเจตวิมุตต์กับปัญญาวิมุตต์คือหลุดพ้นด้วยอํานาจในแห่งใจกับหลุดพ้นด้วยอํานาจแห่งปัญญาก็อยู่ในวิมุตติยานัศนาอีกเหมือนกันเพราะนั่นทำทำทั้งห้าอย่างนี้ท่านจึง้อีกอย่างหนึ่งว่าสาระที่ได้ชื่อว่าสาระนี้เพราะทำทั้งห้านี้เป็นธรรมมีแก่นสารสามารถ ทำผู้ประพฤติปฏิบัติให้บรรลุอมะตะธรรมได้อย่างแน่นอนศีล ส, สมาธิปัญญาถ้าเป็นของสามัญชนก็จัดเป็นโลกิยะถ้าเป็นของพระอัยยบุคคลก็จัดเป็นโลกุตระแต่สําหรับวิมุตติและ ว, วิมุตติยานะัศนะทั้งสองนี้เป็นโลกุตระอย่างเดียว เ, เป็นโลกุตระอย่างเดียว จัดบารมีสิบเข้าในสารธรรมนี้ก็จัดเนคขมักและปัญญาขันจัดทานศีลเข้าในศีลขันเหลือจากนั้นจัดเข้าในสมาธิขันนะจัดเข้าในสมาธิขันอันนี้ถ้าหากว่าจะพูดในในเรื่องของ ของของธรรมขันธ์ทั้งห้าแล้วก็ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เข้าใจว่าอธรรมะขันธ์ทั้งห้านี้ยังเรียกว่าสาระได้อีกนะเรียกว่าสาระสาระธรรมนะสาระธรรมเรียกว่าธรรมที่มีแก่นสารนะมีแก่นสารสามารถจะทําให้ผู้ประพฤติปฏิบัติอได้มักได้ผลได้นิพพานได้ถ้าจะมีคําถามว่าวิมุตติยานทัศนะต่างกันหรือไม่ จงกล่าวเราก็ตอบว่าต่างกันการที่ทําจิตให้หลุดพ้นจากอสวกิเลสเรียกว่าวิมุตต์ความรู้ความเห็นว่าจิตหลุดพ้นแล้วสืบเนื่องจากมาจากวิมุตต์ก็เรียกว่ายานัศนะรู้ได้ด้วยฌานนะรู้ได้ด้วยด้วยยานนะรู้ได้ด้วยยานเรียกว่าวิมุตตะมีติวิมุตตะสมิงวิมุตตะมีติยานังโหติ เรียกว่าเราหลุดพ้นด้วยญาณว่าหลุดพ้นนะหลุดพ้นด้วยญาณว่าหลุดพ้ น, นหรือถ้ามีคำถามว่าจงแสดงธรรมขันห้าประการนี้แต่ละข้อยกว่าข้อใดข้อหนึ่งโดยเป็นปุกราธิฐานและธรรมติฐานพอเป็นตัวอย่าง อันนี้ถ้าเราจะตอบก็คือว่าแสดงโดยปุกุลาธิฏฐานก็คือบุคคลเป็นผู้ประพฤติกายวาจาให้เรียบร้อยดีงามตั้งอยู่ในศีลสามประการคือจุลศีลมัจจิมศีลและมหาศีลคือศีลห้าศีลแปดแล้วก็ศีลสองร้อยยิบเจ็ดถ้าแสดงโดยธรรมาทิฏฐานก็คือความ ก, การรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเรียกว่าศีล การความทําใจให้แน่นอนเรียกว่าสมาธิดังนี้เป็นต้นนะอันนี้เรียกว่าธรรมอาทิฐานอะไรเรียกว่าสารธรรมมีกี่อย่างอะไรบ้างก็ตอบว่าธรรมอันเป็นสารเป็นแก่นสารเรียกว่าสารธรรมมีห้าอย่างก็คือเสี้สารสมาธิสารปัญญาสารมิมุติสารมิมุติญาณทัศนสารอย่างนี้เรียกว่าสารขัน ส า, ารธรรมนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องธรรมะขันธ์ห้าก็พอเป็นแนวทางกับนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องปีติห้าปีติห้าก็ได้แก่หนึ่งคุตตาปีติปีติอย่างน้อยหรือนิดหน่อยสองคณิกาปีติคณิกาปีติก็คือปีติชั่วขณะ สามโอกันติกาปีติก็ปีติเป็นพักๆสีอุเพงคาปีติก็ปีติอย่างโลดโผนห้าภรนาปีติก็โคปีติาบสั้ น, นาคำว่าปีติแปลว่าความอิ่มใจหรือได้แก่อาการที่ทำใจให้เ อ, อิบอิ่มจำแนกเป็นห้าคือหนึ่งคุธกาปีติปีติอย่างน้อย เมื่อเกิดขึ้นทําทําขนให้ชูชันทําให้น้าตาไหลเช่นได้ยินเสียงดนตรีแปลกๆเกิดความยินดีคิดถึงโน่นคิดถึงนี่หรือได้อา่านเรื่องรู้เรื่องของชาดกต่างๆเกิดความสงสารปีติชนิดนี้ย่อมเกิดขึ้นบางคนนั่งทําสมาธิก็ทําให้เกิดคุธกาปีติ นะเกิดกุตตะกาปิติก็คือว่าน้ำตาไหลนะอันนี้เคยสอนเด็กนักเรียนให้นั่งสมาธิกันสิบนาทีนักเรียนบางคนพอนั่งได้ไปสักเจ็ดแปดนาทีรู้สึกว่าปิติเกิดนะเกิดขนลุกชูชันขึ้นน้ำตาไหลมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่มีนักเรียนคนหนึ่งก็แปลกไม่ใช่น้ำตาไหลแต่ว่านั่งแล้วที่มูกไหลนะไม่รู้ตัว นั้นไหลเป็นเส้นผ่านมาที่ปากอาจารย์ดูแล้วก็เอ๊นะนั่นมันไม่ใช่น้ำตาแต่แล้วมันเป็นขี้โมกเลอันนี้คงจะเป็นปีติมากไปหน่อยนะมากไปออยางนั้นไม่ใช่เป็นปีตินะอืาไม่ไม่ไมจัดเป็นปีติคงจะเป็นหวัดมากกว่าฉะนั้นอาคุท ธ, ธากาปีติก็คือ ปีติอย่างน้อยเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้น้ำตาลไหลหรือทำให้ขนทาให้ขนชูชันขึ้นบางคนก็เมื่อได้ยินเสียงดนตรีแปลกๆก็เกิดความยินดีึ้นถึงโน่นคิดถึงนี่หรือได้รู้เรื่องราวของชาติกต่างๆก็เกิดความสงสารอันนี้แหละปีตินี้ก็เกิดขึ้นข้อที่สองค่ะอาคณิกาปีติแปีติชั่วขณะในแก่ปีติที่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ ความเพ็นเพียนทางใจนะบวาเพนเพียนทางใจก็คือนั่งขัดสมาธิอพิจารณาทำอยู่ปีติเช่นนี้ก็เกิดขึ้นทําให้รู้สึกเสียวแปผลบปลาบตามร่างกายอ่าเหมือนไปคล้ายฟ้าแลบนะแลบที่โน่นแลบที่นี่ขึ้นอันนี้แหละทาให้เกิดคณิกะปีติได้สาม โอ๊ะอาอกกันติกาปีติปีติเป็นพักๆปีติชนิดนี้เมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้สู้ซ้าแรงกว่าอาการของคณิกาปีติเปรียบเหมือนคลื่นกระทบฝั่งคือมันเป็นพักๆนานอยู่กับคณิกาทปีตินานๆนื่นนนนก็สู้ซ้าแรงกว่าอันนี้ก็ขนลุกสู้ซ้าเหมืนกนแต่อันนี้แรงกว่าข้อที่สี่อุเพงคาปีติก็คือปีติยังโลดโผน ปิติชนิดนี้เมื่อเกิดขึ้นก็ย่อมทําใจให้ลอยฟูทําอานําให้ทําการอย่างอื่นเว้นจากเจตนาคือลืมตัวเช่นเปล่งคาบุทานออกมาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวอืบางคนก็เพ้อไปเลยนะเพ้อไปเลยหรือบางคนก็คล้ายๆว่าสําคัญว่าตัวเองเนี้ได้บรรลุอ่าคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซะแล้วอืแต่นี้มันเป็นอุเพงคาปิติก็คือปิติยังโลดโผนบางคนก็ได้แล้วก็นึกว่าตัวมันจะลอย นมืนึว่าตัวลอยบางทีนั่งวันนี้ว่าตัวลอยก็อเอามือไปจับเพื้นไว้นะกลัวว่าตัวมันจะลอยขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของปิติเรื่องของสมาธิข้อที่ห้าก็คือพระนาปิติปิติทราบสัน้นปิตินี้ชนิดนี้เมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้รู้สึกทราบสัน้นแผ่พองไปทั่วสารพังกายน่าจะได้แก่ปิติของบุคคลผู้ดืม่มรสของปิติอันเกิดแต่ทม หมดความกระวนกระวายไม่มีบาปทำหมดความกระวนกระวายไม่มีบาปทำท่านกล่าวว่าปิติอย่างนี้ถ้ายกเอาทำหมดความกระวนกระวายไม่มีบาปหรือว่าถ้ายกเอาการทําให้ให้ขนชูชันมาเป็นลักษณะแห่งพระนาปิติความก็จะแจ่มขึ้นมาก ความแตกแจ่งขึ้นมากอันนี้เป็นเรื่องของปิติดังนั้นปิติเนี่ยจะเกิดขึ้นก็คือโดยเฉพาะผู้ที่นั่งทำสมาธินี่จะเกิดขึ้นมากแต่ว่าบางครั้งก็ไม่ต้องทำสมาธิบางครั้งเราดูอะไรก็เกิดปิติขึ้นได้ดูเหตุการณ์ต่างๆหรือเราอ่านชานดกต่างๆนี่มันมารู้สึกว่าเราเกิดความสงสารหรือว่าเกิดความดีใจบางครั้งปิติมันก็เกิดขึ้นได้หรือประสบกับเหตุการณ์ต่างๆ ปีติมันเกิดขึ้นมากความดีใจความเสียใจนี่บางครั้งไม่ได้เกิดจากการทําสมาธิอย่างเดียวเกิดจากการที่เราตาดูหูฟังอจมูกดมกลิ่นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสในปีติเรื่อนี้ก็เกิดขึ้นได้นั้นถ้ามีคําถามว่าปีติเป็นผลของกุศลหรืออกุศลเพราะเหตุไร อันนี้เราก็แก้ว่าเป็นผลของกุศลเพราะสิ่งที่มีสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่ทําให้เกิดความเอิบอิ่มและปราบลื่นได้หรือได้มีคําถามว่าปิติเหล่านั้นจัดเข้าในสังขารขันประเภทไหนและเป็นปฏิปัติต่อทำอะไรก็รจัดเข้าในประเภทที่ดีเรียกว่ากุศลขันเป็นปฏิปัติต่ออกุศลธรรม นี่เป็นเรื่องของปิติพอเป็นแนวทางแก่นักเรียนนักศึกษาก็อยพูดถึงอีกหมวดหนึ่งก็คือว่าในหมวดที่ห้าว่าในเรื่องมัชยริยะห้าหนึ่งอาวาสัมัชฉริยะจหนีที่อยู่สองกุลมัชยริยะจะหนีสกุลสามลาภมัชยริยะตะหนีลาภสีวนน่วันนมะัชยริยะตะหนีวันณะ ห้าธรรมะมัตยะตนีธรรมคำว่ามัตย ะ, น, ะต น, น, นี่แก่ความตหนีเหนียวแน่นนี่ความตหนีความตหนีที่เหนียวที่เราเรียกว่าคนขี้เหนียวนีน่ท่านจําแนกไว้ห้าอย่างแต่ที่เรารู้กันโดยทั่วไปก็มักจะว่าคนที่มัตยะเนี่ยก็คือว่าคนตนีทัพย์แค่นั้นเองเนี่หนีทรัพย์หวงกินหวงใช้ แา่นคนนี้มัจฉัยคนนี้ตนีทีเหนียว่ของกินของใช้การใช้ใจ่ายแต่ในทางธรรมนั้นมีตั้งห้าอย่างอาวามัจฉยะคือตนีที่อยู่ได้แก่ความหวงทินที่อยู่ของตนไม่พอใจให้ผู้อื่นซึ่งเป็นคนต่างด้าวต่างชาติต่างนิกายเข้ามาปะปนแทรกแซงเต็มใจอยู่แต่พวกพ้องของตนเท่านั้น เช่นว่าบางครั้งเราก็ไม่อยากให้คนที่เราไม่คุ้นเคยไม่เข้ามาพักอยู่อาศัยไม่ใช่พวกฟองของตนถือว่าเป็นทำให้เป็นธุรภ า, าระเดือดร้อนลบากแต่ถ้ามีพวกฟองตนไม่เป็นไรหรือยิ่งคนต่างชาติต่างภาษาก็ยิ่งหนักใหญ่นะเราห่วงนะอันนี้เราห่วงไม่อยากให้ใครมาอยู่ไม่อยากให้ใครมาพักบางคนจะมาขอให้พักก็ไม่ได้ บางครั้งก็น่าสงสารนะน่าสงสารมากแต่มันก็นั่นแหละมันมีผลหลายอย่างคนที่มาพักมันอาจจะเป็นคนดีก็ได้อาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้เป็นคนจอนจัดก็ได้เป็นเสือเป็นสางเป็นจรผู้ร้ายก็ได้แต่ทีนี้ก็อย่างว่านั่นแหละบางครั้งเราก็ต้องกันไว้แต่บางครั้งในเราตระหนี่ในบงคั้ท ง, ทงที่ก็รู้ว่าอเขาผู้นั้นเป็นคนนั้นคนนี้แต่ไม่อยากให้เขามาพักมาอาศัยกับเราคือกลัวว่า หนึ่งตัวเราดูเหมือนว่ามาพักเราจะทําให้เราต้องต้องยุ่งเป็นพระต้องเสียนอนเสียนีย่ยุ่งยากอีกอย่างหนึ่งก็ไม่อยากให้คนตระกูลนี้เอชาตินี้เลยมาพักกับเรามันเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่เราเอะไรไปในทานองนั้นอือันนี้เรียกว่าตนีที่อยู่นะตนีที่อยู่คนที่ตนีที่อยู่ห่วงที่อยู่ก็มีผลอีกเหมือนกันนะเดือดร้อนต่อไปตัวเองก็ จะไม่มีที่จะอยู่อีกเหมือนกันนะไม่มีที่จะอยู่หรือมีที่อยู่ก็อยู่ที่ไม่ดีเพราะเป็นคนน่หวงที่อยู่คนอื่นสองก็คือกุลมัชชริยะตนีสกุลได้แก่ความหวงแหนสกุลของตนไม่ยอมให้สกุลอื่นเข้ามาเกี่ยวดองด้วยหรือการหวงสกุลอุปถาของพิสุ ไม่ยินดีให้บำรุงพิสุอื่นคอยเกียรติการเสียนี้จัดเป็นการจะหนีฝ่ายบันปะชิตในทางโลกก็เหมือนกันตระ ก, กูลนั้นจะมาขอลูกสาวตระกูลนี้ไม่ให้ไม่ยอมถือว่าเขาเป็นตระกูลต่ำบ้างอหรือบางทีว่าว่าไปอ้างว่าคนนั้นเขามีเชื้อชาติไม่ดีเรามีเชื้อชาติปู่ดีห่วงตระกูลกันยิ่งสมัยก่อนนี่แบ่งชั้นวรณะกันมากนะพวกแบ่งชั้นวรณะกันมาก อย่างว่าตระกูลเจ้าอย่างนเนี้ยนะสัตว์นี้คนสามมันจะไปนั่นด้วยไม่ได้เนี่ยในสมัยก่อนนะในสมัยก่อนยิ่งสมัยพุทธกาลยิ่งหนักสมัยพุทธกาลนิ่งแบ่งชั้นวันละกันมากเนียิ่งหนักเลยจะไปสมสู่กับอีกตระกูลหนึ่งไม่ได้ในเมืองไทยเราสมัยก่อนก็เหมือนกันถึงแม้สมัยนี้ก็อาจจะมีอยู่บ้างนะยังสำคัญตัวว่าตัวเองนั้นดีกว่าเหนือกว่าทั้งทั้งที่ว่า ลกูกหญิงลูกชายอาจจะรักกันชอบกันแต่ว่าผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยเอไม่เห็นด้วยหรืออีกในหนึ่งก็คือว่าอาจจะมีการดูหมิ่นดูแคลนระหว่างฝ่ายหญิงฝ่ายชายว่านั่นเป็นตระกูลต่ำนี่เป็นตระกูลสงูงนั่นเป็นผู้ดีนี่ไม่ใช่ผู้ดีนั่นเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนฉันมันเป็นเกิดจากการอฉันมียศขั้นนั้นชั้นนี้แกไม่มียศอะไรทํานองอย่างนี้นี่เขาถือว่าอกุละมาชริยะเป็นการต่ำหนีสกุลหวงสกุล ไม่ยอมที่เอาเข้ามาเกี่ยวดองเป็นพืชเป็นพันธุ์เป็นญาติญาติโกโหติกาคนด้วยถ้าในฝ่ายพระก็คือว่าเป็นการังเกียจไม่ยอมให้ให้ญาติโยมที่ที่มาบำรุงตนอุปถักภ์นให้ไปบำรุงที่ตัวอื่นกลัวว่าตัวเองนั้นจะต้องขาดอขาดบุลไปเนี่ยขาดความสุขที่เขาจะต้องมาเคยมาบำรุงเราจะต้องเอา ความสุขอันนี้ไปเฉลีย่ยให้กับพิสูจอื่นเสียนะฮ่วงเรียกว่าห่วงญาติโยมนะว่างั้นจฮ่วงญาติโยมไม่ดีนะอันนี้ก็เป็นที่ดูหมิน่นดูแคลนของของบรรดาพุทธบริษัทกันเองมากนะไม่ดีเพราะว่ายิ่งเราเป็นบนรรดาชีพเป็นธาตนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของนะแล้วก็คนทุกคนก็ เข้ามาทำบนสูนทานได้ประพฤติปฏิบัติได้นะไม่ควรจะมีการผูกขาดกันนะไม่ดีทำให้เป็นที่จิตินจิตินิน ท, ท, ทาของท่านพุทธบริษัททั่วๆไปประการที่สามก็คือลาภมัจฉยะก็คือลาภมัจฉยาคือคือตนีลาภในแก้หวงแหนทรัพสมบัติหรือพัสดุต่างๆไม่ยินดีที่จะแจกจ่ายแบ่งปันให้ผู้อื่น มีเท่าใดก็เก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตนไม่ยอมเฉลี่ยให้แก่ผู้อื่นคือพวกนี้ก็คือว่าห่วงกินห่วงของกินของใช้บางคนแม้จะมีมากก็เก็บนะเก็บจนเสียเก็บจนเน่าไอเสียเน่าแล้วจึงก็เอามาให้คนอื่อไออย่างนี้หมดท่านะหมดท่าเอามาให้แล้วก็ดีไม่ดีถูกด่านะถูกด่าไอกินไม่ได้แล้วจึงให้อันนี้มีมากเลยทุกวันนี้ ทั้งฝ่ายคารวาสแล้วก็ฝ่ายพระมีพอๆพอกั น, นห่วงลาบบางคนมีเยอะของกินของใช้ได้มามากทั้งๆ ท, ที่ว่าตัวเองเนี่ย<ม>เหลือเฟือแล้วนะเหลือเฟือแล้วนะ<ม>เหลือกินเหลือใช้แล้วแต่ก็ไม่ยอมแบ่งปันให้กับผู้อื่นเน<ม>ี่ยไม่ยอมแบ่งปันให้กับผู้อื่นนี่ถือว่าเป็นคนโลภมากนะคนตันหนีมากนะตันหนีลาบบางครั้งเห็นคนอื่นเขาเดือดเนื้อ ร้อนใจแทนที่จะเ อ, อ่ยปากช่วยเหลือมันก็ไม่มีจะแบ่งปันให้ก็ไม่มีนะของกินก็มีเยอะแยะเหลือเฟือเหลือก็ต้องเอาไปทิ้งไปขว้างนะแต่ไม่ยอมแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่เขาไม่มีจะ ก, กินไม่มีจะใช้อืเสนะื้อผ้าอัปกรณ์ท้อมสบายนะทั้งฝ่ายพระสงฆ์องค์เลนเหมือนกันพระที่สมบูรณ์ด้วยลาบมีเยอะนะพวกจีวรพวกของกินของใช้เนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยเฉลี่ยกันนะอันนี้ก็รู้สึกว่า ใจคับแคบมากนะใจคับแคบมากเป็นมนติมีอยู่ในใจจริงๆแล้วเรายิ่งให้เนี่ยเรายิ่งได้มากนะแล้วคนที่เราให้เนี่ยเขาจะนึกศรัทธาเรานะแล้วก็เขาก็จะเป็นบริวารของเราด้วยคอยปฏิบัติเรารับใช้เราเนี่เขาก็หรือว่าเป็นกำแพงเราอย่างดีนะเป็นรั้วกับเราอย่างดีแต่ยิ่งเรายิ่งมีกินแล้วก็หวงกินมีใช้หวงใช้แล้วก็พวกนั้นก็เหมือนว่าเป็นศัตรูกับพวกเรา เพราะเรานั้นมีโอกาสแล้วนะมีโอกาสดีแล้วมีรากมียศเนี่ยมีคนศรัทธามีคนสันเสริมมีคนยกย่องมาแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ใช้อ่าคุณสมบัติอันนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมบ้างนะก็คือติดในลาบหลงนะหลงลาบยศแก่ตัวเองนะหวงจริงหวงใช้อบางคนสังเกตเสื้อผ้าอภรรเยอะนะเก็บไวน้นะฉะนั้นอันนี้แหละถ้าหากว่าเราได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปแจกจ่ายให้กับคนยากคนจน เสื้อผ้าอภรริกก็ไปแจกให้กับคนยากคนจนตําชนน้บดบ้างต่างจังหวัดบ้างกับนักเรียนนักศึกษาต่างจังหวัดบ้างก็เป็นประโยชน์มากได้บุญได้กุศลเยอะไงอาหารเหมือนกันของกินของใช้ก็แจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านหรือคนยากคนจนหรือให้กับพวกคนตามบอร์ดหูหมวกตามบอร์ดหรือเด็กพิการหรือตํารวจหารหรือว่าเอาไปทําให้พวกคนคุกอะไรอย่างเงี้ยแหมพยายามเทศการเข้าพรรษาออกพรรษาหรือว่า วันสำคัญในทางศาสนาเนี่ยจะมีคนมาทำบุญกันมากอาหารเนี่ยี่เรารวบรวมเก็บเอาไว้ให้พวกนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของลาลาภมัจฉริยะกะ็คือตนีลนาในข้อที่สี่ก็คือวั น, นมัจฉริยะตะนีวันนะได้แก่การห่วงแหนคุณงามความดี ไม่อยากให้ผู้อื่นเทียมตนในคุณงามความดีนั้ น, น, นอีกในหนึ่งได้แก่การหวงอาหวงแหนความสวยงามนะความสวยความงามของชายของหญิงนะหรือว่าของหนุ่มสาวไม่อยากให้ผู้อื่นมาสวยงามไปกว่าตนก็จัดเข้าในข้อนี้เหมือนกันอันนี้ก็หมายความว่าในการหวงแหนคุณงามความดีไม่อยากให้ผู้อื่นมาดีเทียมตนก็คือว่า บางครั้งตัวเองทำอะไรได้ดีเป็นอย่างนี้ก็ไม่อยากจะบอกอันนั้นกับคนอื่นกลัวว่าเขานั้นจะมาดีเทียมตนขึ้นนะมาดีเทียมตนถ้าให้เรียนอย่างนี้ก็กลัวเขาจะมีปัญญาเท่ากับตนให้ศึกษานี้ก็กลัวเขาจะดะีกว่าตนกลัวนะกลัววิตกกังวลหวงนะหวงเอหรือในเรื่องคุณงามความดีนี่เราควรจะสนับสนุนกันนะไม่ควรที่จะ่าหวงแหนกันนะ ยิ่งเราทำส่งเสริมให้เขาดีมากเนี่ยทำให้เขามีคนดีนะั่นก็แน่นอนที่สุดเขาก็ต้องยกย่อง เ, เขาก็ต้องยกย่องยกย่องคนที่ชี้แนะบอกกล่าวเนีชี้แนะบอกกล่าวที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งบางคนก็เอาหัวงความสวยงามบางคนก็จเจ้าคนนั้นมาจะแต่งตัวอย่างน น, นี้ก็กลัวจะสวยกว่าตนนะไม่ยอมนะไม่ยอมให้กนะลัวว่าจะล้ำหน้าตนเสียอนะืก็ไม่เอานะไม่อยากให้ผู้อื่นได้สวยงามไปกว่าตน บางครั้งก็ถึงกับอิจฉาเสยากันก็มีนะอย่างนี้เรียกว่าวันนะมะเทยะนะตะนีวันนะหรือบางทีเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่ก็ไม่อยากให้อคนนั้นได้ไปแต่งเนื้อแต่งตัวที่ว่าเหนือกว่าเจ้าสาวนะมันเป็นการที่เรียกว่าอเจ้าคมอเจ้าบ่าวคมเจ้าสาวนะก็เลยให้แต่งตัวไม่ดีไม่งามอันนี้ก็เป็นการเข้าอยู่ในวันนะมะเทยะก็คือตณีวันณนะเหมือนกันแล้วก็ ข้อสุดท้ายก็ห้าก็คือธรรมมัจจยะตนีธรรมไม่แก่การหวงความรู้ศิลปะวิทยาการไม่ <c oughs> ศิลปะวิทยาการต่างๆไม่ปรารถนาจะบอกเล่าหรือว่าสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นโดยเกรงว่าเขาจะรู้เท่าเทียมตนหรือจะรู้ดีกว่าตนออย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการหวงธรรมะใช้ไม่ได้ก็จะทําให้เรานั้นโง่ต่อไปอีกนะโง่ต่อไปแล้วก็อาจจะเป็นที่ติชินนินทาของคนทั่วไปอีกด้วยอนี่เป็นเรื่องของมัจจิยะห้า น, นี่ถ้าจะตั้งปัญหาถามว่ามัจเรยะห้าโดยอัดควรเรียกว่าอะไรและสงเคราะห์เข้าในกามสองอย่างไหนได้หรือไม่อันนี้เราก็แก้ว่าโดยอัดก็เรียกว่ากิเลสสงเคราะห์เข้าในกิเลสกามได้เพราะความหึงหวงเป็นอาการหรือลักษณะของกิเลสมัจเรยะห้าจัดเป็นมานจําพวกไหนได้หรือไม่และมัจเยะห้านั้นมีอธิบายต่างกันอย่างไรเราก็บอกว่าจัดเป็นมานได้คือจัดเป็นกิเลสมาน มีอธิบายต่างกันอย่างนี้คือความหวงถิ่นไม่พอใจให้คนต่างชาติต่างด้าว <c oughs> เข้ามาแทรกแซงด้วยเรียกว่า <c oughs> อาวามัชธิยะความหวงสกุลไม่ยอมให้สกุลอื่นเข้ามาเกี่ยวดองอด้วยเรียกว่ากุลมัชธิยะความหวงทรัพย์สมบัติาพัสดุไม่เฉลี่ยแบ่งปันแก่ผู้อื่นเรียกว่าลาพามัชธิยะความหวงคุณงา ม, วง ค, วามวงความดีไม่ปรารถนาให้ผู้อื่นอสู้ได้หรือว่า ไม่ปรารถนาให้ผู้อื่นดีไปกว่าตนนะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการหวงคุณงามความดีหรือว่าหวงความสวยงามซึ่งเป็นกิเลส ข, ของหญิงสาวเรียกว่าวันนะมัทริยะความหวงธรรมหวงศิลปะวิทยาความรู้ต่างๆไม่ปรารถนาจะแสดงหรือบอกแก่คนอื่นเพราะเกรงว่าเขาจะรู้เท่าเทียมตนอย่างนี้ก็เรียกว่าท ร, ร ม, มัทริยะเอาละเกี่ยวกับเรื่องการบรรยายเรื่อง วันนี้จะพูดถึงในหมวดที่ห้าว่าด้เรื่องมารหนะ้า น, 1, นะมารห้าคือหนึ่งขันธมารมารคือขันห้าสองกิเลสมารมารคือกิเลสสามอภิสังขารมารมารคืออภิสังขารสี 4, ม่มจุมารมารคือความตาย ห้าเทวบุตรมานมานคือเทวบุตรประการแรกขอให้ท่านมาทำความเข้าใจกับคำว่ามานเสียก่อนคำว่ามานนี้ได้แก่สภาพที่คอยล้างผลาญ น, น่ะคอยล้างผลาญหรือคำว่ามารนี้แปลว่าผู้ทาลายก็ได้น่ะผู้ทำลายก็ได้ผู้ฆ่าก็ได้ คือทําลายให้เราหมดคุณงามความดีทําลายให้เราต้องเสียชื่อเสียงค่ายเราต้องหมดคุณงามความดีคือตายจากคุณงามความดีหรืออาจจะทําให้ตัวตายอีกก็ได้บางทีเรามักจะพูดว่าแหมคนนี้เป็นมารเยอะเกินนะอืมคุณเป็นมารของฉันนะอคุณเป็นมารของผมนะถึงที่สุดบางทีก็เราอาจจะไปพูดถึงเรื่องว่าเป็นมารหัวใจนะมารหัวใจ หรือยังมีคําที่สังคมก็พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นมารสังคมเป็นมารศาสนาหรือเป็นมารหัวขนอะไรเงี้ยมีไปพูดกันเยอะๆในหลายรูปแบบก็ถือว่าผู้ทําลายทั้งนั้นมารศาสนาก็คือว่าทําลายศาสนามารสังคมก็คือว่าทําลายสังคมมารหัวขนก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องการเ อ, อผิดทางประเวณีนะ ฉะนั้นคำว่ามารนี้ท่านจึงจำแนกออกเป็นห้าประเภทก็คือหนึ่งขันธมารขันธมารก็ได้แก่มารคือขันธ์ห้าขันธ์ห้าได้ชื่อว่าเป็นมารเพราะบางทีก็ทำความลำบากให้เช่นว่าอาเป็นโรคเรือรังทรมานทรุร ก, ก ร, รมอันเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายจนถึงกับฆ่าตัวตายเสียก็มี หรือได้รับทุกโทมนัสอย่างยิ่งในความเป็นอยู่ของตนจนถึงกับล้างฐานชีวิตก็มีนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของมารเพราะว่าขันห้านั้นก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นะที่ได้ชื่ อ, อว่าเป็นมารก็เพราะว่าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั่นแหละมันเป็นที่รวมของรังของโรคสารพัด ของสารพัดคนเราถ้าไม่มีโรคแล้วมันก็ไม่มีมารมันก็สบายสบายมากแต่ว่าเห็นท่าใจยากนะยา ก, นะยากคนคนไม่มีโรคเพราะว่าพระพุทธองค์ก็ได้ตัดไว้ว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันเปรตหรือว่าเป็นลาบอย่างยอดเยี่ยม แต่เราก็เป็นโรคกัญชารพัฒโรคบางครั้งเราดูคนเขาเดินไปเดินมาตามถนนหนทางเนี่ยดูเหมือนว่าเขาไม่มีโรคนะแต่งเนื้อกันสวยงามเหลือเกินใส่เสื้อผ้าอาพรันผัดหน้าทาแป้งกันสวยงามมากแต่ขอให้ท่านลงไปนั่งดูตํารงพยาบาลทุกๆโรงพยาบาลจะเป็นเอกชนหรือเป็นของรัฐบาลตั้งแต่เช้าจนค่ํา คนที่แต่งตัวสวยๆนั้นยิ่งเข้าโรงพยาบาลมากเป็นโรคกันสารพัดโรคสารพัดโรคโรคภายในโรคภายนอกนสารพัดโรควัดนะโรคอที่กลัวกันมากก็คือพวกโรคมะเร็งนโรคมะเร็งพวกวัณโรคโรคตับไตใส่พุงโรคปอดไข่วัดน้อยไข่วัดใหญ่สารพัดโรค โรคปวดตามข้อปวดแข้งปวดขานะลูกเกาโอยนั่งก็โอยอย่างเงี้ยโอ้โหรู้สึกว่าโรคของมันบางคนบอกโยมขอให้มีอายุยืนๆนะอ่าบอกไม่เอาเราแค่นี้พอแล้วกลัวมีโรคมากว่างั้นนี่บอกว่าแหมฉันมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันลําบากลําบนเหลือเกินนะบางคนก็บ่นซะแล้วอ่าบางคนก็บอกว่าอาโยมขอให้มีอายุยืนๆนะก็บอกว่าถ้ามีอายุยืนไม่มีโรคก็ อพอทำเนางั้นพอพอรับได้แต่ว่าถ้ า, ายุยืนแล้วมีโรคก็ไม่ไหว น, นี่ฉะนั้นคนทุกคนรู้ตัวว่าตัวเรานี่เป็นบ่อกเกิดรังของโรครังของโรคฉะนั้นจึงบอกว่าให้เราทุกคนต้องพิจารณาต้องพิจารณาว่าเราทุกคนนั้นเกิดมาก็แน่นอนที่สุดพยาธิทำงมหิพยาธิงอนาตีโต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 ไม่ได้เจ็บปวดป่วยไขย้แต่ลูกหลานของเราลูกหลานคนอื่นก็เจ็บปวดป่วยไขย้อันนี้มันเป็นธรรมดาถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะทําให้เรามีสติสัมปชัญญะก็มีความสบายรู้เท่าทันต่อสภาวะธรรมนี่คนเราเมื่อเป็นโรคมากๆในบางคนก็โรคกรรมบ้างสารพัดนะเป็นโรคกรรมเช่นบางคนก็ฆ่าหมูก็ร้องเหมือนหมูนะฆ่าเป็ดฆ่าไก่ก็ร้องเหมือนไก่นะเป็นรักตัดเสียนะ พุทธรูปที่ต่างๆก็เวลาตายก็อดควรวญให้เขาเอาเลื่อยเอามีดเอาอะไรมาตัดคอตัวเองเนี่ยมันก็เป็นโรคกรรมนะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าอาเราเป็นโรคเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องพิจารณาแล้วบางคนเป็นโรคแล้วก็มันทรมาร์ ก, กรรมเหลือเกินถึงกับต้องฆ่าตัวตายก็มีนะกินยาตายก็มีนะสารพัดฉะนั้นอันนี้เลยจึงบอกว่ามันเป็นโทษล้างผลานคุณงามความดีอืมของเรา เรียกว่าขันธมารมันพอมีขันธ์ห้าเท่านั้นเลยไอ้อย่างอื่นก็ตามมาสารพัดมาชุมนุมกันอยู่ในขันธ์ห้าฉะนั้นจะบอกว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นภาระแก่คนเราทุกคนที่เราต้องแบกกันอยู่นะต้องแบกกันอยู่ไอ้ตัวเราคนเดียวเราก็แบกไว้ห้าขันแล้วนะเราไปมีภรรยาสามีเขาก็บกเอามาอีกห้าขันก็เป็นสิบขันก็เดีมันก็ยิ่งหนักใหญ่เป็นภาระใหญ่ แล้วไปมีลูกก็อีกคนก็อีกเป็นสิบห้าขันสองคนก็เป็นยี่สิบขันสามคนก็เป็นยี่สิบห้าสี่คนก็เป็นสามสิบขันถ้าคนมีลูกสิบคนสิบห้าคนก็โอ้โหเท่ากับว่าแทบจะเรียกว่าแบกภูเขาไว้ทั้งลูกนะหนักตึงเลยก็สารพัดโรคก็รุมเข้ามานะรุมเข้ามาไอ้ลูกเมียมันก็มาอยู่ที่เราด้วยนะเพราะว่าเราต้องต้องรับภาระนะนี่แหละ าว่าเราพิจารณากันอย่างนี้ก็จะทําให้เรานั้นได้มีดวงตาแจ่มใสมีดวงใจเบิกบานนะรู้เท่าทันต่อสภาวะธรรมบ้างนะมาในข้อที่สองกิเล ส, สมานก็คือมานคือกิเลสท่านหมายเอาทั้งกิเลสกามและวัตถุกร่มนะกิเลสกรรมและวัตถุกรรมได้ชื่อว่าเป็นมานนี้เพราะบุคคลผู้ตกอยู่ในอํานาจของกิเลสแล้วกิเลสย่อมผูกนัดให้ ระเลงหลงนะอาจชักจูงไปตามความต้องการได้ทุกขณะตามอำนาจกิเลสกามก็ได้แก่เจตสิกอันเศร้าหมองอันเจตสิกอันชักจิตใจให้เรศร้าหมองให้รักให้ใครมีความกำหนัดนะมีราคะในความกำหนัดยินดีในกามเนอะในราคะแล้วก็โทสะความคิดประทุษร้ายโมหะความหลงหรือพวกอารติความไม่ยินดี ปฏิฆะความกระทบกระทั่งแห่งใจอสังตุขทิความไม่สันโดษนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิเลสเป็นกิเลสกามก็ถือว่าเป็นเป็นกิเลสมารส่วนวัตถุ ก, กามก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโสดทพัพทะนะรูปเสียงกลิ่นรสโสดทพัพนทะการถูกต้องสัมผัสนี่ก็เป็นมารนะถือว่าอันนี้เป็นวัตเป็นบวงแห่งมารนะเป็น เครื่องร้อยรัดเรื่องจิตใจของเราให้หลงให้ติดอยู่อืล้วนแต่เป็นสิ่งสาคัญทั้งนั้นนะนะในที่ว่ามันมาเนี่ยมันก็ทําร้ายทั้งนั้นเป็นผู้ที่ดิฆ่าเราทั้งนั้นนะเป็นฆ่าเราทั้งนั้ น, นะฉะนั้นคําว่ามาเนี้จึงมีอิทธิพลมากนะมาระนะคําว่ามาระแต่ถ้ามานะนี่แปลว่าแปลได้สองอย่างอ่ามันมีมีมีคําภาษาไทยว่ามาณะตัวนี้ แปล ว, ว่ามานะทิฏฐิสําคัญตัวว่าดีกว่าเขาเลิศกว่าเขาอย่างนั้นก็ได้อีกอย่างหนึ่งมานะแต่วัใจเนี่ยมานะแต่วัใจอีกอย่างหนึ่งมานะหมายถึงความอุตสาหาพยายามนี่นี่นั่นมันเรียกว่ามันพ้องลูกพ้องเสียงกันแปลว่ามาระในที่นี้หมายถึงว่ามานตัวทําลายตัวฆ่าตัวล้างผลาญช่างกิเลสมาน ก, ก็ได้เก่กิเลสกรรมและวัตถุกรรมมันเป็นเครื่องล้างผลาญ กิเลสกามได้ชื่อว่าเป็นมารเพราะเป็นโทษล้างผลคุณงามความดีอความรอบความปกรธความหลงหรือราคะโทวสะโมหะอารติอ่าอสันตุติความไม่สันโดษหรือว่าปฏิฆะความกระทบกระทั่งแห่งใจเมื่อเกิดขึ้นในจิตในใจผู้ใดแล้วก็ล้างผลผู้นั้นให้หมดจากคุณงามความดีไปทําให้ผู้นั้นต้องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนหรือผู้ที่ตกอยู่ในอํานาจของวัตถุกาม ร, รูปเสียงปิณรสโภทภะ ผู้นั้นก็จะถูกสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจหรือว่าผูกมัดจิตใจให้ลุ่มลงให้ติดในรูปให้ติดในเสียงให้ติดในกลิ่นให้ติดในรสให้ติดการสัมผัสอยึดมั่นถือมั่นนะยึดมั่นถือมั่นยากที่จะละหลุดได้นะผู้ใดละหลุดได้ทําลายบ่วงอันนี้ได้นะผู้นั้นก็จะเป็นผู้ประเสริฐนะมีจิตใจอันเข้มแข็งนะมีจิตใจเข้มแข็ง ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นมารอีกเหมือนกันนะเป็นมารอันนี้เราก็ต้องแก้โดยการสําสรวมอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดีนร้ายในเมื่อตายเห็นรูปปุ๊บฟังเสียงจมูกตรงกลิ่นลิ้นมรสกายถูกต้องสัมผัสใจในึกคิดในลมต่างๆหรือต้องมีมนต์ิการกรรมฐานอันเป็นปฏิปัติต่อกามฉันทะหรือกายคตาสติหรื อ, รอมิฉะนั้นก็ให้เรานั้นได้เจริญวิพัสสนากรรมฐาน คือพิจารณาสังขารให้เห็นเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะแก้กิเลสมารได้อภิสังข้อสามอภิสังขารมารมารคืออภิสังขารได้แก่การปรุงนะเครื่องปรุงแต่งสามประการแต่ในที่นี้ประสงค์เอาแต่ส่วนอกุศลอย่างเดียว ที่ท่านจัดว่าเป็นมารเพราะอากุศลย่อมปรุงแต่งให้เลวลงคืออพิคําว่ า, าพิสังขารมารพิสังขาร น, นี้หมายถึงว่าสังขารอันยิ่งจะมารก็หมายถึงว่ามารมารที่มันก็คือตัวอกุศลตัวอกุศลก็คือเช่นว่าอาปุญญาพิสังขา น, นั่นเองอืคือการปรุงแต่งในทางบาปในทางทําลาย ทำจิตใจเราให้เลวลงนะทำจิตใจเราให้เลวลง mm. อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอคุิและรมในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทําจิตใจของเราให้ตซ้ำต่ําช้าทําจิต ใ, ให้ตกต่ําหรือทําเราต้องให้เสียชื่อเสียงนะเสื่อมไปอันนี้นหละที่ว่าเป็นอภิสังขารมานคือมันปรุงแต่งเราให้ให้ไปในทางที่ในทางลบว่างั้นเถอะ ไปในทางที่ลบเราจะต้องเสื่อมเสียไปฉะนั้นในทางนี้จะเรียกว่าอภิสังขารมานะเครื่องปรุงแต่งสามประการนะอที่จริงแล้วคําว่าอภิสังขารนี่ก็คือว่าสังขารอันยิ่งก็มีสามปุญญาอภิสังขารก็คือปรุงแต่งในเรื่องบุญอคุญญาอภิสังขารก็ปรุงแต่งในเรื่องบาปอนเนรชาอภิสังขารก็ปรุงแต่งอ่าคือการไม่หวั่นไหว แต่ในที่นี้ฉันเ อ, lobbying, อ, อาเฉพาะอกุศลอย่างเดียวนะอกุศลอย่างเดียวก็เอาในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมที่มาทําจิตใจของเราให้เลวตามต่ำช้าทําจิตใจของเราให้ย่อยยับทำขเราให้ตกอับทำจิตใจของเราให้เสื่อมไปนะเสื่อมไปย่อยยับไปหรือ ท, ทาให้เราต้องเสียชื่อเสียงวงศตระกูลอะไรในทํานองนี้ก็จัดเป็นอภิสังขารมา ส่วนข้อสี่มัจจุมานก็คือมานคือความตายได้แก่ความาตายที่มาตัดรอนชีวิตเสียตั้งแต่ยังไม่ถึงที่สุดท่านเรียกว่ามัจจุมานอันนี้ข้อนี้พระมหาสมณเจ้าท่านอธิบายว่าน่าจะหมายเอาในเวลาที่ชีวิตกำลังเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เช่นถ้าทียังมีชีวิตอยู่ต่อไปอาจจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะ เช่นอาราแะดาบทและอุทกาดาบทอาจจะได้จากสั่งสอนมหาชนหรือจักได้สั่งสอนมหาชนเช่นเดียวเช่นกับพ่อบรมศสสดาทรงอภิษฐานพระชนมายุเมื่อแรกจะบำเพ็ญพุทธกิจคำว่ามัจจุมาลมาลคือความตายพูดถึงความตายนี่เรากลัวกันมากสิ่งมีชีวิตกลัวตายทั้งนั้นไม่มีใครว่าไม่กลัวตาย แต่ว่าเมื่อเราได้มรรคผลนิพพานนั่นแหละเราเราไม่กลัวตายแต่ว่าในขณะที่เราเป็นสามัญชนหรือว่าเป็นสัตว์อะไรนี่ยจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์นี่รู้สึกว่าเรากลัวตายกันมากฉ so ะนั้นเมื่อรู้ว่าใครจะมาทําลายชีวิตเรานี่เราต้องต่อสู้เราจะต้องป้องกันนะเมื่อป้องกันได้ก็ป้องกันเลี้ยงเลี้ยงได้เด็กเลี้ยงกันแต่เมื่อป้องกันไม่ได้เด็กเลี้ยงไมาได้เราก็ต้องสู้กันสุดชีวิตนะสู้กันสุดชีวิตนะแต่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ ไอ้มาลคือความตายนี่เราหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะหลีกเลี่ยงไม่พ้นแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะตายเมื่อไหร่นะเราจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนก็ไม่รู้นะเราไม่รู้จะตายเร็วตายช้านี่เราก็ไม่รู้อีกเหมือนกัน <c oughs> ใช่ อาชีวิตของเราเป็นของไม่แน่นอนนะแต่ว่าเราต้องนอนแน่นะแต่ว่าเราต้องนอนแน่แต่ว่าเราจะนอนเมื่อไรนั้นเราก็ไม่รู้นอนที่ไหนก็ไม่รู้บางครั้งอุตสาห์สร้างบ้านไว้ซะสวยงามว่าจะได้นอนที่บ้านเปล่าไม่ได้นอนเนอนไปนอนเอากลางถนนรถทับตายรถชนตายนอนไปนอนเอากลางทะเลอ่เรือทะเลชนกันตกไปฉลามกินสบาย บางคนก็นอนลงในกลางอากาศยังมีนะแม้ว่าเครื่องบินชนกันบ้างถูกจนสลัดเป็นขว้างระเบิดมันตี้กันบ้างตกกลางอากาศนอนตายนี่มันไม่แน่นอนเลยนะประสงค์องค์เนรก็เหมือนกันบางทีแหมได้สร้างกุฏิว่าย่างนี้แล้วนะแมกว่าจะนอนตายที่นี้แล้วไมปไปไหนกเปล่าบางทีก็ไปตายเมืองนอกเมืองนาก็มีเอนะบางทีก็รถชนตายรถทับตายก็มีนี่มั น, นไม่แน่เรื่องความตาย ความตายนะี่มันเป็นของยั่งยืนนะมันเป็นของที่แน่นอนว่าคนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายอืมฉะนั้นความตายนี่แหละจริงจัดว่าเป็นมาร น, นะเป็นตัวที่ทําลายตัดรอนชีวิตความสุขของเราแต่ถ้ามันเราแก่ตายอย่างนั้นก็เอาสมควรตายนะแต่ว่าถ้ายังไม่แก่ตายก็คล้ายๆว่าเราอาจจะมีโอกาสที่จะได้ทําความดีสูงๆขึ้นไปแต่ว่ายังไม่ทันจะถึงสูงเราก็มาทายเสียก่อนนะ แต่วคนไหนที่ไม่ทาความดีที่ว่าเป็นมารสังคมนะพวกนี้ก็หรือทําลายประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ก, ถก็ถือว่าเป็นมารอย่างร้ายแรงอันนี้ก็มีแต่คนสาปแช่งก็อยากจะให้ตายเร็วๆ ว, ว่างั้นเถอะอยากให้ตายเร็วๆอันนี้ก็ถือว่าอเป็นมัจจุมารฉะนั้นเรื่องมัจจุมา น, นี้เราควรจะพิจารณาว่าเมื่อเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายนะเกิดมาแล้วต้องตาย อันนี้จังสังขาร น, นั้นไม่เที่ยงเกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอในขณะที่เรามีชีวิตเป็นอยู่นี่เราควรทําประโยชน์ให้มากนะทําประโยชน์ให้มาก <c oughs> เมื่อเราทําประโยชน์ให้มากแล้วอันนี้แหละเราก็จะภูมิใจแม้ว่าตายแล้วเราก็ไม่เสียใจไม่ใช่ว่าเวลาใกล้ตอนมีชีวิตเป็นอยู่แล้วก็ไม่ไม่สร้างคุณงามความดีไม่ทําบุญสุนทานไม่ช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นสังคมประเทศชาติ เวลาใกล้จะตายก็เอาบอกว่าอยเพิ่งตายเลยคอยได้ทอดกรถินทอดปลาปลาทำบุญสักครั้งเถอะจะขอผัดพยามั จ, จุราชไม่ได้ไม่ไปขอผัดพยามัจจุมานไม่ได้หรือจะบอกว่าเดียวขอให้ได้ทำบุญช่วยเหลือผู้อื่นสักครั้งหนึ่งเถอะขอได้สร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างถนนสักครั้งหนึ่งเถอะออย่างนี้มัจจุมานก็เห็นท่าจะไม่ยอมแนะ่ไม่ยอมคือ พญามัจจุมาในมัจจุราชนี่ไม่รับสินบนท่านเที่ยงทำที่สุดถึงข่าวตายแล้วต้องตายไม่นะ่ะในเงินทองที่เรามีมากอะไรก็ช่วยเหลือไม่ได้ติดสินบนท่านไม่เอาอจึงมีคำกลอนว่ามีเงินทองกองล้นพ้นภูเขาจะซื้อเอาชีวิตไว้ก็ไร้ผลอันความตายหมายไว้ทั่วทุกตัวคนติดสินบนเท่าไรชีพไม่คืนี่บางทีเงินเอาสายปากไปแล้วก็ยังเอาไปไม่ได้อเอาไปไม่ได้ ฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตก็ควรจะใช้ชีวิตของเรานี้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติมีทรัพย์สินเงินทองก็ควรจะเอาทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัตินั้นใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองครอบครัวสังคมประเทศชาติโดยเอาส่วนรวมมาเป็นใหญ่เราก็จะมีความสุขความสบาย ถ้ า, าว่าเราไม่ทำอย่างนี้แน่นอนที่สุดก็เหมือนว่าเรานี้เสียชาติเกิดนะหมดโอกาสใช้ชีวิตไม่ถูกไม่ต้องนะไม่ถูกไม่ต้องนะฉะนั้นก็พูดถึงเรื่องความตายก็ให้เราทุกคนก็หมั่นนึกถึงไว้ว่าจเจริญวรณสติมิสตินึกถึงความตายว่าจะมีแก่เราวันนี้พรุ่งนี้มีได้ก็จะทำให้เราไม่ประมาททำให้เราไม่มัวเมาแล้วทำให้เราไม่หลงก็จะมีแต่ความสบาย มาในข้อที่ห้าเทวบุตรมารมานคือเทวบุตรหมายเอาเทวบุตรผู้มุ่งร้ายได้อที่ได้ชื่อว่ามานเพราะเป็นปุกลาธิฐานแห่งสภาวะอันทําลายล้างเทวบุตรก็ดีอา่าเทวบุตรที่ดีไม่จัดว่าเป็นมานหมายเอาเฉพาะผู้มุ่งร้ายโดยในนี้ปัญจขันธ์ก็ดีกิเลสก็ดีอภิสังขารก็ดีน่าจะหมายเอาเฉพาะส่วนอันให้ร้ายเช่นเดียวกัน คือเทวบุตรอมา น, นี้บางทีท่านบางที่ท่านแสดงว่าหมายถึงผู้ใหญ่นหมายถึงผู้ใหญ่คือดผผู้มีอํานาจนผู้มีอํานาจแต่ว่าเป็นมิจฉาทิฐินคิดทํำลายล้างผลาญผู้อื่นเอาเปรียบนเอาเปรียบผู้อื่นทําลายล้างผลาญสังคมประเทศชาตินี่เรียกว่าเป็นเทวปุตรตมานนะ เทวปุตตมาณอันนี้แหละถือว่าเป็นมารอย่างร้ายกาจนะคือคนเราบางท้งเนี่ยเมื่อมียศมีตำแหน่งก็พยายามเอายศเอาตำแหน่งนี่เอาความเป็นใหญ่เนี่ยไปขมเหงผู้อื่นไปรังแกผู้อื่นทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทำให้ผู้อื่นได้รับความหายนะเสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้มีความผิด เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจมีวัสนามีลาบมียศนะมีตระกูลสูงแล้วเราจะต้องต้องมีคุณธรรมสูงไปด้วยนะเมื่อเรามีคุณธรรมสูงเราก็จะได้ทำหน้าที่บริหารสังคมประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้เพราะเรามีหน้าที่มีตำแหน่งมีการงานหรือเราก็จะปกครองคนหมู่มากในสังคมนั้นให้เกิดสันติสุขและให้เอาเป็นแบบอย่างได้แต่ถ้าว่าเราเป็นผู้ใหญ่มี เป็นผู้ใหญ่มีอำนาจอยู่ในตัวอยู่ในมือนะมีอาทยาอยู่ในมือหรือว่ามีตำแหน่งหน้าที่อยู่แล้วแต่ว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่ใช้ความเป็นผู้ใหญ่นั้นในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเบียดเบียนผู้น้อยเบียดเบียนบริวารทำลายล้างผลบริวารหรือเบียดบงังเอารัดเอาเปรียบอของหลวงของราษอะไรอย่างเนี้ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาร น, นะเป็นเทวปุตระมาร น, นะ มารคือผู้ใหญ่ก็คือเทวบทก็หมายถึงผู้ประเสริฐผู้เจริญอคือในฐานะยศตำแหน่งของเขาน่าเจริญแต่ว่าจิตใจของเขาไม่ได้เจริญไปตามนั้นจิตใจขเขาไม่ได้เจริญไปตามนั้นอันนี้แหละก็พอยทําให้เป็นมารเป็นผู้ทําลายล้างฐานคุณงามความดีของตัวเองให้หมดไปอีกด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของอของของมาร น, นะเป็นเรื่องของมารห้า ก็คิดว่านักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายก็พิจารณาดูเอาแล้วก็พอจะเข้าใจนะพอจะเข้าใจอโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ขันธ์มานก็ดีนะกิเลสมานก็ดีอพิสังขารมาร์ก็ดีมัจจุมานก็ดีเทวปุตตมานก็ดีอล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทําลายทั้งนั้นอันนี้บุ่งเอาแต่ในทางที่ไม่ดีนะก็ถือว่าเป็นมานอ่าถือว่าเป็นมานทั้งนั้นถ้าหากว่า เราเข้าใจได้เรียนรู้สิ่งวันนี้ก็จะทำให้เรานั้นประพฤติปฏิบัติรู้จักล ะ, ะความยึดมั่นถือมั่นละมันถือมั่นแล้วก็รู้จักเว้นในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรก็ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่ควรก็จะทำให้เรานั้นเกิดความสุขเกิดความเจริญเกิดความพอดีขึ้นการดาเนินชีวิตของเราก็มีแต่ความสุขมีแต่ความสงบที <c oughs> นี้ถ้ายังมีคำถามว่า เหตุไงท่านเป็นจัดกิเลสมารเป็นมารจําพวกหนึ่งในมารห้าท่านเห็นชอบแล้วหรืออันนี้เราก็แก้ได้เลยว่าข้อที่ท่านจัดกิเลสเป็นมารจําพวกหนึ่งนั้นเห็นว่าชอบแก่เหตุแล้วคืออธิบายว่ากิเลสก็เป็นเครื่องเศร้าหมองนะเป็นเครื่องเศร้าหมอง กิเลสนี่แปลว่าเครื <Whoa> <sh> ่องเศร้าหมองหรืออาสวะในบางทีก็พูดติดกันอาสวะก็แปลว่าเครื่องเศร้าหมองกิเลสสาสวะเนี่ยอาสวะคือกิเลสเนี่ยอาสวะคือกิเลสกิเลสสาสวะอาสวะคือกิเลสเครื่องเศร้าหมองไอ้ของเศร้าหมองก็เหมือนกับของหมักดองอาสวะเนี่ยอาจจะแปลว่าหมักดองก็ได้ก็เหมือนกับผลไม้ดองเนี่ยผลไม้ดองก็พลาสโวอนะอ่าเรียกว่าผลไม้ดองปุกพาสโวก็ดอกไม้ดองเช่นว่า ดอกบวย้กระเจี๊ยบอะไรเงี้ยนะดอกบวยดอกกระเจี๊ยบดอกกลุ่มอะไรเงี้ยผักกลุ่มหรือยอดผัก ท, ท, ที่มา ด, ดองนี่ก็เรียกว่าปลูกผาสวงนะฉะนั้นอาสวะนี่แปลว่าเครื่องหมักดองเครื่องเส้าหมองนะฉะนั้นถ้ากิเลสมีอยู่ในสันดานของคนเราผู้หนึ่งผู้ใดแล้วก็ย่อมจะทำผู้นั้นให้หมกมุ่น อยู่ในธรรมอันเป็นอกุศลในบาปในกรรมนะไม่สามารถที่จะรื้อตนออกจากวัฏฏะได้ถ้าตกอยู่ในอำนาจของมันแล้วมันย่อมจะผูกรันไว้บ้างนะทำให้เสียคนบ้างนะหรือว่าทำให้เรานั้นต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมันต้องประพฤติปฏิบัติตามก็มีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ความเดือดร้อนนะมีแต่ความเดือดร้อน ฉะนั้นการที่ท่านจะจัดกิเลสเป็นมารจําพวกหนึ่งนั้นก็สมควรอย่างจริงนะสมควรมากฉะนั้นคนเรานี่ก็มักจะตกอยู่ในในอํานาจของของกิเลสมาร น, นะกิเลสมารก็ได้แก่กิเลสกวามกับวัตถุการมนะขอให้ท่านเข้าใจอย่างนั้นกิเลสมารก็ได้แก่กิเลสกวามกับวัตถุกรรมกิเลสกวามก็ได้แก่อราคะโทสะโมหะหรือ อาสันตุทิความไม่สันโดษอารติความไม่ยินดีในสิ่งที่ควรยินดีหรือปฏิฆะความประทุกระทั้งแข่งใจอันเป็นเหตุให้เกิดความโกรธแค้นหะือย่างนี้เนี่ยเป็นกิเลสมานมันทำลายล้างสารให้คุณงามความดีของเราต้องหมดไปให้ได้ความทุกข์ความเดือดร้อ น, อนวัตถุกรรมก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสอันนี้ก็รูปก็ทาให้เรานี่ยเรียกว่า ตาเห็นรูปก็เกิดความหลงไหลในรูปนารูปสวยก็เกิดความหลงไหลรูปไม่สวยก็เกิดความไม่พอใจอหูฟังเสียง mm. เสียงดีเสียงเพราะก็เกิดความพอใจเสียงไม่ดีไม่เพราะก็เกิดความไม่พอใจจมูกกลมติ่งกลิ่นหอมก็เกิดความพอใจก ล, ล, ลิ่นเหม็นก็เกิดความไม่พอใจลิ้นลิ้มรสรสดีอตามที่ตงต้องการก็เกิดความพอใจเกิดความไม่ดีก็เสียใจไม่อยากปลับไม่ปรารถนาการสัมผัสก็เหมือนกัน ถามว่าเราสัมผัสในสิ่งที่เราพอใจมันอ่อนมันนุ่มตามที่เราปรารถนาเราก็พอใจถ้าเราสัมผัสในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่พอใจก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอมันก็ติดทางนั้นนะดีก็ติดไม่ดีก็ติดเป็นอุปาทานนะเป็นอุปาทานเป็นทุกข์เป็นโทษนี่ยเป็นเครื่องผูกมัด ร, ร้อยรัดจิตใจของเราให้หลงให้ติดนะเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนนี่แหละเรียกว่าเป็นวัตถุกรารมก็เป็นกิเลสมานอีกเหมือนกัน หรือถ้าจะถามว่าเหตุไนท่านจึงจัดมัดจจุมัจจุมานว่าเป็นมารจำพวกหนึ่งอันนี้ก็เพราะว่ามันตัดเสียซึ่งชีวิตตินทรียอินทรีย์คือชีวิตแต่น่าจะเห็นว่ามัจจุมานนี้หมายเอาเวลาชีวิตกําลังเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมเอเช่นนั้นถ้าเป็นอยู่ต่อไปอาจจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ว่าเราจะต้องมาตายเสียก่อนอต้องมาหมดชื่อเสียงเสียก่อนหรือว่าต้องมา มีเหตุเป็นไปเสียก่อนก็เลยยังไม่ได้บรรลุทมพิเศษนะอย่างที่พระศาสนาปารบถึงอาลาระดาบแเสอุทกาดาบทเป็นตัวอย่างเอาละวันนี้การบรรยายเกี่ยวกับเรื่องมารห้ามาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพร